ปัญญาก็ย้อนออกมาอบรมจิตนี้คือหลักการปฏิบัติในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะก้าวนำไปสู่ภูมิธรรมอันจะพึงเกิดขึ้นภายในจิตมีพุทธะปรากฏเด่นชัดอยู่การทรงไว้ซึ <playing Scotland> ่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของพุทธ